หน้ากลุ้มโดยดังตรินตอนที่21่เออะไรจะบังเอิญขนาดนั้นสาวใหญ่วัยหหปีในรัฐพอริดานั่งอยู่บนเรือดีๆมีปลากระเบนกระโดดขึ้นมาใช้เงี้ยงแทงดับโลกจะกลายเป็นแานประหารด้วยยังไงทำไมสัตว์เชื่องเองอย่างปลากระเบนถึงทําร้ายคนได้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 ทว่าครั้งนั้นเรื่องเหลือเชื่อก็ได้รับการคลี่คลายให้หายสงสัยเพราะมีพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแทงตลอดในกา ร, รวิบากคอยไขอยู่อาทิเช่นเรื่องของอีกาชตาขาดเรื่องมีอยู่ว่าหญิงคนหนึ่งทำอาหารอยู่หน้าเตาไฟเลวไฟได้พุ่งจากเตาติดสเสวียน ร, รองก้นหม้อซึ่งทำเบรย่าสเสวียนนั้นแขวนอยู่ที่ชายคา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 ผมคิดว่าถึงวันนี้หลายคนคงชักรู้สึกต่งหินตรางหินว่าเรามีเทศกาลสงกรานต์กันไปเพื่ออะไรกันแน่เพราะเดิมทีเรามีวันสงกรานต์ไว้ศาสตร์สุขจะดูเหมือนถึงวันที่13เมษายนของสหัสวัสรษใหม่นี้ไทยเรามีวันสงกรานต์ไว้ศาสตร์ทุกขกันที่นอนที่นี่ทวีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกทีคำว่าสงกรานต์นั้นหมายถึงการเคลื่อนย้ายจากราศีเป็นปีใหม่